หจิตตุปาท ก, กันกุศ ล, ลบทกลางมาวจรกุศลลจิตกุศ ล, ลจิตดวงที่หนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นกลางมาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตรด้วยสมนัตสัมปยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีผลทพะเป็นอารมณ์ มีธรรมเป็นอารมณ์หรือประรูอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปีติสุขเอกะขะตาสตินีวิริยินีสนตินีสมาธินีปัญญินีมนินีสมณสินีชีวิตินีสัมาติฐิิสมาสมาังขปะ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 จิตตละหูตากายามุทุตาจิตตมุทุตากายกรรมัญญตาจิตตกัมมัญญต า, ต ก, มมตากายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตากายยุชุ ก, กตาจิตโตชุ ก, กตาสติแสงปรชัญญะสมถะวิปัสนาปาคาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่น ในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากุศลบทภาชนีผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสำราญทางใจความสุขทางใจ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 ความที่จิตไม่ชัด ส, สายสมัตสมาถินีสมาธิภละสัมาสมาธิในสมัยนั้นนีเชื่อว่าเอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัททินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะความเชื่อกิริยาที่เชื่อความปรองใจเชื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งศรัทธาสัททิน 4, ีศ ร, ะระัทธาภละในสมัยนั้นนีเชื่อว่าสัททินี ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิริยินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความปรารกความเพียรทางใจความขมักขมันความบากบั่นความขนขวว้ความพยายามความอุสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะ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 นิชื่อว่าปัญญีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมนนิรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโมานัสหาไทยปัญระมโมมนายตนะมณีวิญญาณวิญญาณขันโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนิชื่อว่ามนนิรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นโซมณสินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน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 แสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดําริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์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 ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินทรีวิริยะพละสัมมาวายามะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสำมาสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอย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 กิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู muitos, them, adder adder adder adder adder adder ้ภาวะที dumping, ่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความคร่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทาลายกิเลสปัญญาเครื่องนาทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนประตัก ปัญญาปัญญีสีปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนประสาสความสว่างคือปัญญาแสงสว่างเคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปัญญาพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหิริพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน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 นี้ช hmm. ื <800 S 1> ่อ <ulator>. ว่าอะโลภะที่เก <co ces> ิดข ja. ึ้นในสมัยนั้นอโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความไม่คิดปรทุสร้ายกิริยาที่ไม่คิดปรทุสร้ายภาวะที่ไม่คิดปรทุสร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน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 ปัญญาเหมือนปะตักปัญญาปัญญินีปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนประศาสความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปุษลมูลคืออโมหะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 กิริยาที่มีคิดประทุษร้ายภาวะที่มีคิดประทุษร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลละมูลคืออโทสะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอพยาบาทที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสมมติทิฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนด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 กายปัสสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสงบความสงบระ ง, งับจิริยาที่สงบจิริยาที่สงบระ ง, งับภาวะที่สงบระ ง, งับแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายปัสสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตปัสสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสงบความสงบระ ง, งับจิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับภาวะที่สงบระงับแห่งวิญญาณขันธ์นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตะปะสัทธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นกายระหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแข่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายระหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น จิตตะลหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ay, ความเบาความรวดเร็วความ cons, today, ไ, os ไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตลหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นกายมุทุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้น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 จิตตะกามัญญาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นกายปาคุญญาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความคล่คองแคล่วกิริยาที่คล่องแคล่วภาวะที่คล่องแคล่วแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายปาคุญญาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตจจตปาคุญญาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ความคล่องแคล่วกริยาที่คล่องแคล่วภาวะที่คล่องแคล่วแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตะปาคุณตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นกายยุชุ ก, กตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นความตรงกิริยาที่ตรงความไม่คดความไม่โคง้งความไม่งอแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้น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 ปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมาิทิฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิปัสสนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นปาคาหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความปรารบความเพียนทางใจความขมักขม่นความบากบันความขนควายความพยายามความอุสาหะความทนทานความเข้มแข็ง